พาชีวิตของเราเนี่ถ้ า, าเราไม่เข้าใจมันก็เสียเวลามีชีวิตแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราเข้าใจมันมันจะทำให้เราได้ประโยชน์มากมายเพราะชีวิตของเราเนี่มัมีพลังที่สร้างความสงกความสุขให้กับโลกนี่มหาศาลแต่โลกเรายังเบียดเบียนกันอยู่โยกเรายังทำร้ายกันอยู่ เพราะว่าแต่ละคนไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่พยายามเข้าใจนะมันก็เลยเบียดเบียนตัวเองโลกที่มันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเบียดเบียนตัวเองก่อนแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองแล้วเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองเมื่อไม่เบียดเบียนตัวเองเราก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นโลกก็จะไม่เบียดเบียนกันไม่ทํำลายกันไม่ฆ่ากันไม่ทําสงครามกัน แต่แน่นอนว่าเราจะไปห้ามคนทั้งโลกไม่ได้เราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะถ้าเราไม่เบียดเบียนตัวเองนะจากหนึ่งถึงเราต่อไปก็จะมีคนที่สองที่สามที่ ส, สี่ถัดจากเราไปหรือคนที่เราเกี่ยวข้องก็จะไม่ถูกเราเบียดเบียนการเบียดเบียนในที่นี้มันมีหลายรูปแบบการเบียดเบียน ด, ด้วยกายเช่ น, ะนสแสดงอาการกริยาการ การแบ่งเบือนโดวยวาจาก็ใช้คาพูดการเปลีป่ยนโดยใจโดยใจและอารมณ์ก็คือ <c oughs> ความไม่ปรารถนาดีความไม่พอใจความไม่ชอบความไม่ร่วมมือความไม่มีจิตใจเอื้อเฟือ้ออาทรซึ่งกันและกันก็นกเบียนเบีย น, นกันละดัง น, น, นั้นก็จึงอยากจะให้ศึกษา เรื่องนี้ทาความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากแต่ว่าในการไม่เบียดเบียนเป็นผลภายนอกการไม่เบียดเบียนตัวเองคือการเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองเป็นเป็นอะไรเข้าใจตัวเองว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเข้าใจตัวเองว่าเป็นสมุติปรมัติหรือเข้าใจตัวเองว่าเป็นรูปหรือเป็นนามหรือเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นเรา นี้สําคัญถ้าเข้าใจตัวเองว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรานี้ถือว่าบี่เบี่ยนตัวเองแล้วเพราะว่าเราจะไปยึดนะเพราถ้าเราคิดว่าเราเป็นเราเนี่ยก็จะมีเป็นเขาเป็นของเขาเป็นกูเป็นมึงนะเป็นถูกเป็นผิดขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจว่าเรา เป็นรูปเป็นนามเราเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็จะต้องมีการปฏิบัติด้วยนะเช่นเรามาเจริญสตินี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาตัวนี้จะไปแยกให้เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เรานะอันนี้มันเป็นรูปเป็นนามเช่นเราจะกินทุเรียนจ ะ, จะกินมะพร้าวอย่างเนี้ย ถ้าเราไม่มีมีดมีผ้ามีขวานมีเครื่องมือล้วกินไม่ได้เพราะว่าตัวเปลือกมันกับเนื้อมันมาด้วยกันตัวเปลือกมันกินไม่ได้จะต้องผ่าทิ้งเราจะกินเราจะกินเนื้อมันตัวเราก็เหมือนเปลือกตัวอัตตาตัวตูนของเราเนี่เหมือนเปลือก แล้วเราจะใช้กายว่าจาใจเราต้องเอาเปลือกออกนะเปลือกตัวนี้เขาเรียกว่าสมมตนะิเปลือกมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวมันคนละอย่างเปลือกทุเรียนกับเนื้อทุเรียนมันคนละอย่างแต่ก็มันอยู่ด้วยกันรักษาซึ่งกันและกันไอ้ตัวตนของเราหรืออัตราของเรากับตัวแห่ของเราเนคนละอย่างแต่อาศัยกัน ตัวของเราตัวตนของเราก็เป็นภาพเป็นเนินเป็นเทนเป็นชี้คนอ้วนคนผอมคนขาวคนดําคนมีการศึกษาไม่มีการศึกษาคนโง่คนฉลาดอันนี้เป็นเปลือกทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราจะใช้มันถ้าเราจะใช้เปลือกอานนี้มันก็จะต้องเกิดการเปลียดเบียนกันแล้วเหมือนกับเราจะกินมะพร้าวเราจะกินเปลือกมันเนี่ยไม่ตายก็เรียกว่าป่วยหน like. ักจะกินผู้เรียนจะกินเปลือกผู้เรียนแล้วไม่ตายก็ป่วยหนักแล้ว คนเราทุกวันเหมือนกันนะอาจจะใช้ตัวเองไม่ได้ใช้เนื้อแท้ของตัวเองไปใช้ไปกินไอ้เปลือกมันผมนะคุณ น, นะผมดีกว่าคุณนะคุณดีกว่ า, วาผมในนี้เขาเรียกว่าใช้เปลือกแล้วเปลือกมะพร้าวก็ไม่ได้ก็ดีกว่าเปลือกทุเรียนนะเพราะมันกินไม่ได้พอๆกันเราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเราเพราะมันเปลือกเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งเปลือกทุเรียนเราจะกินทุเรียนก็ต้องเอาเปลือกมันทิ้งเราจะกินมะพร้าวก็ต้องเอาเปลือกมะพร้าวทิ้งเราจะใช้กายวาจาใจของเราก็ต้องเอาตัวตนของเราทิ้งเราจะต้องเอาเนื้อแท้ของเรามาใช้เมื่อเรากินเนื้อทุเรียนเนื้อมะพร้าวเนื้อแท้ของเราคืออะไรเนื้อแท้ของเราคือจิตที่ปกติ จิตที่มีศีลจิตที่มีสมาธิจิตที่มีปัญญาเขาเรียกว่านา ม, มเขาเรียกว่าปรามาจิตัวนั้นเนื้อแท้ของเราเป็นเนื้อเนื้อแท้ของเราแล้วทีนี้การมีศีลเนี่ยมันจะทําให้กายวาจาละอ่อนโยนการมีสมาธิทําให้กายวาจาใจของเรามั่นคงการมีปัญญาทําให้กายวาจาใจของเรา นิ่มนวลแล้วก็มี <c oughs> ประโยชน์ใช้เป็นนะดูจักใช้ประโยชน์ดังนั้นเองในส่วนของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราต้องฝึกฝนมันไม่ใช่ว่ามีขึ้นมาเองได้มันเนื้อมาเพราเนื้อทุเรียนมันจะต้องผ่ามันจะต้องเชาะ อ, ออกมา ไม่ต้องมาขูดมาแกะอมาปรุงมาแต่งมันถึงจะ ก, กินได้ชั้นใดก็ดีจิตใจของเราที่มันเป็นนามเนี่ยก็ต้องมาฝึกฝนแล้วกันทุกคนมีมจิตใจโจรก็มีจิตใจฆาตรกรก็มีจิตใจอสัตว์นรกก็มีจิตใจเหมือนกันอืแต่ว่ากวงรับโทรศัพท์ ใช้รนะบเพราะนั้นเรามก็จังจะต้องศึกษาศึกษาวิธีการฝึกฝนนะศึกษาเรื่องศีลแล้วศีล ส, สิกศึกษาเรื่องศีลก็ศึกษาระบบระเบียบกายวาจาใจของเรานะแล้ศีลกายที่มีศีล ลับเลยลับเลยดังนั้นเราก็พยายามฝึกบ่อยบอยลับในเต็มแล้วมั้สายมาจากอเมริกาอคนอเมริกาเขาโทรมาสอบอามลง ในครั้งที่เขาติดอารมณ์เขาจะโทรมาสอบอารมณ์กันนั้นเราจะเห็นว่าการฝึกฝนทางด้านศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ต้องใช้ความเข้าใจความเข้าใจเรื่องศีลแรือว่าศีลและสิขาเช่นเราฝึกกายให้สะอาดเรียบร้อย ฝึกกายให้มีความนิ่มนวลไม่เรียกว่าหยาบคายฝึกวาจาให้ไพเราะฝึกวาจาให้เป็นจริงฝึกวาจาให้เป็นประโยชน์ต้องฝึกทั้งนั้นนะนะเพระคนเหยๆถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกมันก็จะหยาบทำอะไรก็สะเพร่าจับจดชก็ปลกุกไม่เรียบร้อยไม่ทำอะไรไม่เป็นเราไม่ได้ฝึก ดังนั้นอริเป็นศีลทั้งนั้นนะนะเขาก็บัญญัติออกมาแต่ศีลมีสองอย่างคือศีลภาคปฏิบัติกับศีลภาคปริยัติศีลภาคปริยัติเช่นศีลห้าศีลแปดศีลร้อยยีิบสองเจ็ดศีลภาคปฏิบัติเช่นเราจะเดินอย่างไรให้ดูเรียบร้อยเราจะนุ่งห่มอย่างไรให้ดูเรียบร้อยเราจะกินอย่างไรให้ดูเรียบร้อยเราจะเดินอย่างไรให้ดู เรียบร้อยเราจะใช้ของใช้ปัจจัยสีอย่างไรให้สะอาดเรียบร้อยนีย่เขาเรียกว่าศีลภาคปฏิบัติดังนั้นเราก็ต้องฝึกทุกอย่างปฏิบัติจจในสิ่งที่เราใช้สอยปฏิบัติในปัจจัยสีปฏิบัติในเรื่องที่อยู่อาศัยทำไงให้สะอาดเรียบร้อยปฏิบัติในอาหารวินาศบาลกินอย่างไรให้ไม่ให้เกิดโรค ปฏิบัติศีลนั่นั้นปฏิบัติในเครื่องที่อยู่อาศัยทำไงให้มันไม่ผุพังมันให้สะอาดปฏิบัติในยารักษาโรคทำไงให้มันพอดีไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็ปฏิบัติแล้วปฏิบัติในอาชีวปริสุทธิศีล น, นะ อาชีวปริสุธิน่นคือปริบัติในการสำรวมระวังกายวาจาใจของเราไม่ให้มันคิดไม่ให้มันนึกในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ให้มันมีความปรุงแต่งฟุ้งซ่านอย่างนี้เราเป็นศีลนะศีลภายในเขาเรียกว่าอินทรีสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมระวังไม่ให้มัน เป็นพิดเป็นโทษแก่ตัวเองแล้วก็ไม่ให้มันไปสร้างทุกข์นี่ก็เป็นศีลแล้วเวลาเราจะศึกษาเรื่องสมาธิเราจิตแต่สิขาเช่นเราศึกษาเรื่องจิตของเราเอ๊ะทำไมจิตเรามันคิดแบบนี้ทำไมจิตเรามันจึงโกรธแบบนี้ทำไมเราจิตของเรามันจึงฟุ้งแบบนี้ทำไมจิตของเรามันจึ ง, ง, บบ ไ, มจ ง, มงไม่พอใจแบบนี้การที่เราจะไปรู้จักจิตได้เนี่ยเราต้องทำ สติศึกษาจิตทําไมศึกษาเรื่องจิตปล่อยจิตไปเรื่อยเปยื่อยมันอยากคิดอะไรก็คิดมันอยากนึกอะไรก็นึกมันอยากจะฟุ้งก็ฟุ้งมันอยากจะปรุงก็ปรุงอย่างนี้เขาเรียกว่า ไ, ได้ศึกษาจิตจิตก็พาเราไปเอยมันก็มีการเปลี่ยนเบียนตัวเองมันพาไปคิดดีคิดชั่วพาไปเห็นแก่ตัวภไปไปทําทอะไรที่ มันไม่ถูกต้องเลยเป็นการเบียดเบียนตัวเองเพราะเราไม่มีศีลทางใจไม่มีสมาธิไม่แก่ไม่มีการศึกษาจิตมันก็จะเบียดเบียนตัวเองแหละทีนี้แต่ปัญญาสิกขาก็การฝึกปัญญาการฝึกปัญญาคือการฝึกใช้จิตใช้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจิตความคิดในยเราห้ามมันไม่ได้อืพอเผลอปั๊บมันก็คิดพอเผลอปั๊บมันก็คิดตราบใดสติสมัญาเราไม่สมบูรณ์เราก็ต้องเผลอคิดเรื่อยไป เราก็ต้องฝึกฝึกสติฝึกสมาธิมากมากทำด้วยการทําความเพียรมากๆเพื่ออะไรเพื่อไม่เผลอที่เราฝึกเนี่ยเพื่อไม่ให้เผล่นะไม่เผลอคิดไปแต่เราห้ามคิดไม่ได้ถ้าเผลอป้เาเมื่อคิดไปแล้วก็รู้ทันทีมันก็มีเผลอมีคิดสลับกันอยู่งั้นนะเผลอแล้วคิดเมื่อไรเราเผลอเราคิดไปแล้วรู้ทันทีกลับมาแล้เผลออีกรู้อีกเผลออีกรู้อีกอยู่งั้นนะ เราจะไม่ให้มันเผลอได้ไม่ได้แต่เรามีหน้าที่รู้มันไม่มีหน้าที่จะไปหยุดมันไม่ให้มันเผลอมันคิดไม่ได้เรามีหน้าที่รู้ทันทีพอรู้บปั๊บมันหยุดแต่ถ้ารู้แล้วไม่หยุดนั่นไม่ใช่นะถ้ารู้แล้วไม่หยุดนี่แสดงว่ามันรู้ไม่ถูกถ้ารู้ถูกมันต้องหยุดความพิถุงแต่งถ้ารู้ผิดมันก็ไม่หยุดนะมันคิดไปเรื่อยๆทั้งทาที่รู้ตัวแล้ว คิดไปเลยฝึกตัวรู้ตัวเนี่ยให้เข้มแข็งโดยเฉพาะการปารบความเพียรการเดินจงกรมสร้างจังหวะมันเป็นตัวสติสมาธิปัญญาที่ตื่นนะรู้แต่ถ้าเมื่อไรเรามีนิวรณเข้ามาความง่วงงาบห้านอนความเบื่อความขี้เกียจความงุดหงิดความ พุ่สซ่านความรังเลสงสัยเข้ามาเราก็จะต้องหาวิธีแก้แก้ให้หลุดถ้าแก้แล้วก็กลับมาความรู้สึกตัวโดวยเฉพาะเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าไปนั่งหลับตาคืออย่าไปนั่งท่าเดียวเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อมาให้นิวร์มันแช่นิวร์มันเกิดขึ้นเพราะเราแช่เดินนานๆนั่งนานๆเ น, นีนน่ย น, น, น, น, นิวร์มันเกิด แลาก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ามันได้สติแล้วก็มันรู้สึกตัวดีก็เดินานานานั่งนานได้แต่ถ้ามันไม่ได้สติก็พยายามแก้ไขให้มันรู้สึกตัวอยู่ไอ ต, ตัวรู้สึกตัวบ่อยๆนี่แหละมันจะเป็นกำลังของสติสมถิปัญญาไปรู้เท่าทันความคิดเพราะความคิดเนี่ยไปห้ามมันไม่ได้เพราะนเพราะมันเป็นอนัตตา เป็นธรตาคือห้ามไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้าทำให้วิ ช, ชามันเกิดมาวิ ช, ชาก็คือตัวรู้เท่าทันเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นเผลอคิดแล้วรู้เท่าทันมันดับไปรู้อย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งว่าตัวรู้เนี่ยมันกลายเป็นนิสัยล้วเมื่อไหร่ตัวรู้กลายเป็นนิสัยของเราเนี่ยความเผลอคิดมันก็จะไม่มี ตราบใดที่ตัวรู้ยังไม่เป็นนิสัยตัวรู้ยังไม่เป็นอัตโนมัติคือยังไม่รู้ปรามัดว่ามันะตราบใดยังไม่รู้ปรามัติเนะี่ยตัวคิดมันก็ยังเผลอคิดอยู่แต่เมื่อรู้ปรามัติแล้วตัวเผลอคิดก็จะไม่มีนะอันนี้จําเป็นแต่ในช่วงที่รู้รูปนามหมายว่ามันมันเผลอก็รู้นในช่วงรู้รูปนามเนี่ยมันเผลอก็รู้เผลอแล้วก็รู้แต่เมื่อไหรเรารู้ปรามัดแล้วมันรู้ เพราะไม่เผลอนี่มันรู้รู้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไม่เผลอนี่ก็าเรารู้ประมาทแต่รู้รูปน้ำเนี่ยัยังเผลออยู่แต่รู้ทันแล้วแต่จะเผลอมากเผลอน้อยเผลอบ่อยห ร, อหรือเผลอนานเท่านั้นเองถ้าหากกระรูปน้ำเข้มแข็งมันก็เผลอปับ๊บรูป้ปุ๊บถ้ารูปน air, ้ําอ่อนแอเผลอไปตั้งนานยังไม่รู้เลยนี่ก็าแล้วรูปน้ํา ม, มันอ่อนแอ เพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ต้องทํามาลงรูปน้าให้เข้มแข็งคือรู้ไวๆรู้เร็วๆ ร, ร, รู้ชัดๆบางคนรูปน้าอ่อนแอแล้วรู้ว่าเผลอรู้แล้วก็ยังไม่ดับนะเผลอคิดไปแล้วรู้มันก็ยังคิดอยู่เพราะรูปน้า ม, มันอ่อนแอรูรปน้ำไม่เข้มแข็งถ้ารูปน้ําเข้มแข็งนะเผลอคิดรู้ปั๊บแล้วก็ดับปั๊บเลยนี่คือเรือรูปน้ำเข้มแข็งคนไหนรูปน้าเข้มแข็งคือเผลอทันทีรู้ทันทีเผลอแล้วรู้ทันที นี่ก็รูปนามเข้มแข็งถ้ารูปนามอ่อนแอแล้วเผลอตั้งหลายครั้งพึ่งรู้คือเผลอตั้งนานพึ่งรู้หรือรู้อยู่แต่ก็ไม่ไมดับความปลุกแต่ไม่ดับนี่ก็เรื่องรูปนามอ่อนแอเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ารูปนามอ่อนแออยู่นี่เราจะประมาทไม่ได้ต้องหมั่นประลบความเพียรต้องหมั่นเดินยยกงต้องหมั่นสร้างจังหวะเพราะเรายังอ่อนแออยู่มันก็ยังทุกข์อยู่ถ้าเผลอคิดมันก็ยังทุกข์ไปเรื่อยๆเผลอคิดมันก็ต้องมีเผลอทํา เผลอทําก็ต้องมีเผลอพูดไอ้สิ่งที่เผลอเนี่ยคือขาดสตินะเผลอคือขาดสติขาดสติในการพูดขาดสติในการทำขาดสติในการคิดทุกมาทันทีจะมามาแบบไหนอันนี้เราไม่รู้เพราะทุกมันไม่ได้มาทําให้เราทุกแต่ทุกมันมาทีละนิดแลนิดเมื่อมันได้ที่มันก็ปรากฏนะมันโรคภัยไเจ็บทุกคนมีโรคภัยไข้เจ็บแต่เราจะผลจะปรากฏเมื่อไหรน่นี่แล้วแต่เหตุปัจจัย แม้เราสุขภาพดีๆอยู่เนี่ยโรคมันก็มีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ปรากฏแต่เมื่อไหร่ปรากฏเราถึงจะรู้ว่าเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคปวดหัวเป็นโรคตับโรคไตเนี่ยเมื่อไหร่มันผลปรากฏนะมันถึงจะรู้ว่าโรคมันเยอะนะดังนั้นในการปฏิบัติเราก็ต้องทองําความเข้าใจแบบนี้เสมอรูล้ลูกนามปล่อยเข้าปล่อยเข้า จกนกระทั่มึงเผลอน้อยเข้าไม่เข้าจนไม่เผลอวันไหนก็เรียกว่าเป็นประมัดนี่ยปรามัดนี่หมายความว่าเราเก้าวหน้าแล้วการปฏิอตมาถึงระดับกลางแล้วต่อไปเราจะไประดับสูงนะที่นี่ระดับกลางมันหมายถึงว่าเราไม่เผลอหรือเผลอก็น้อยมากนะเราก็จะเกิดใช้ปัญญาแล้วที่นี่ใช้ปัญญาเป็นเมื่อก่อนนี้เผลอเบาๆ น, นี่ใช้ปัญญาไม่เป็นแต่หลังจากรู้ปรามัดนี่ใช้ปัญญาเป็น ใช้ปัญญาก็คือใช้ความคิดเนี่ยแต่ความคิดที่ไม่เผลอ ả, ความคิดที่ไม่เผลอเรียกว่าปัญญาความคิดที่เผลอนี่เรียกว่าตัณหาความคิดที่ไม่ญญเผลอเนี่ยตั้งใจคิดตั้งใจพูดตั้งใจทำมันเป็นปัญญานี่ก็เป็นปรามัดมันจะเป็นประโยชน์อย่างเดียวคนที่รู้ปรมามัดจะจะทประโยชน์อย่างเดียวโทษจะไม่ทาเลยจะพูดกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียว จะคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวจะทําก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเรียกว่าคนรู้ปรมัดแล้วแต่คนรู้รูปมน้ำนี่สลับกันทําถูกบ้างทําผิดบ้างพอเพ้อพูดบ้างเพ้อทําเพ้อคิดบ้างพอรู้ขึ้นมาก็ก็ดีไปแต่เขาไม่ร cool nah ู้ขึ้นมาเพ้ออีกเนี่ยมันก็สุกบ้างทุกบ้างคนรู้รูปน้ําแต่คนรู้ปรมัดแล้วนี่ก็เรียกว่ามันมีแต่สบายไม่สุขไม่ทุกข์ คำว่าสบายดีมันไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่าสุขมันหมายความว่าทุกคำว่าสบายคือเหนือสุขเหนือทุกอืมเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ถึงปรมาทัตเพื่อไปถึงปรมาทัตก็ยังไม่พอเพราะอะไรเพราะอาสวะยังมีอยู่ต้องปฏิบัติไปอีกต้องปฏิบัติไปอีกจนกระทั่งไปสิ้นอาสวะส่วนวะจะสิ้นเมื่อไหรก็เมื่อปรมาทัตเราสมบูรณ์มานั้นปรมาทัตยังไม่สมบูรณ์ก็อาสวะมีอยู่ถึงจะมีปัญญาแต่ว่าอาสวะก็ยังมีอยู่ อสวะคือบางทีเราไม่ได้เผลอแต่มันไหลออกมา ม, มันทำออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นอสวกันซึ่งรายละเอียดเราจะได้พูดในวันต่อไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาอยู่ในวัดนถ้าไม่จำเป็นต้องเชา้าต้องเย็นต้องมาลงทำวัดต้องฟังธรรมอี่ไปเสียเวลาเรื่องอยู่เรื่องกินอยู่กินมันเป็นเรื่อง เล็กๆน้อยๆอย่าไปคืเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องที่เรามาที่นีมาอะไรมาเพื่ออะไรมาเอาอะไรเราจะต้องเข้าใจไม่งั้นเราจะเสียเวลานะนั้นช่วงเช้าเนี่บอกไม่ชีหน่อยไม่ต้องทําอะไรมากทํารองท้องแค่ผลไม้นิดๆหน่อยก็พอกล้วยคนละใบสองใบก็เหลือเฟือแล้วเช้านะอยู่นะมันจะได้ไม่เสียเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุ เพื่อให้เราได้มีความสุขความสบายมีความเข้าใจในชีวิตแล้วเราจะไม่เบี่ยนเบี่ยนตัวเองเราจะไม่ตกในอบายไม่ตกในนรกไม่เป็นเปรตเป็ น, ป น, ป น, ปนสุลการชีวิตของเรามีอยู่ขณะห น, 1, นึ่งขณะหนึ่งต่อหลายขณะทีนี้ถ้าหากว่าเราขณะ น, นี้ชีวิตเรามีอยู่แค่ปัจจุบันนี้นะ นี่ถ้าเราไม่ตรวจสอบเข้มงวดขณะหนึ่งๆเนี่ยสามารถที่จะสร้างเหตุของทุกข์ให้เรายาวนานแต่คนส่วนใหญ่ประมาทอยู่ทีละชั่วโมงอยู่ทีละวันไม่ได้อยู่ทีละขณะนั่นคือไปอยู่ในอดีตอนาคตแต่คนที่อยู่ปัจจุบันก็จะอยู่แต่ทีละขณะขณะนี้ดีผ่านไปล้ขณะ ที่เข้ามาเป็นอย่างไรไอสิ่งที่อารมณ์ดีขณะนี้ยังเหมือนเดิมไหมดูต่อไปเรื่อยๆทีละขณะทีละนาทีทีละนาทีเขาเรียกปัจจุบันธรรมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูแต่ละขณะแต่ขณะ น, นี้เราไปดูข้างนอกมันก็กลายเป็นอดีตอนาคตทันทีขณะนั้นก็จะเป็นขณะของความประมาทซึ่ง คนเราที่มันต่างกันตรงนี้บางคนปฏิบัติมาไม่นานเข้าใจธรรมะบรรยายธรรมะได้เป็นเรื่องเป็นราวเข้าใจชัดเจนแต่บางคนมาปฏิบัติสีปียีปียังไม่ได้เพราะว่าอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยความเพลิดเพลินปรรัญญาเลยไม่เกิดแล้วก็บอกว่าไม่มีปัญญานะก็อยู่ด้วยความประมาทปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเอง ถ้าเราอยู่ที่ระขณะนีปัญญาจะเกิดมากมายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราอยู่แบบเพลินไ ป, ไปอันนั้นบ้างอันนี้บ้างทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็เรียกว่าอยู่ด้วยความประมาทปัญญาก็ไม่เกิดปฏิบัติทำไปนานเท่าไหร่ปัญญาก็เกิดไม่ได้เหมือนกับเร า, าหุงข้าวต้มแกงถ้าไฟไม่ต่อเนื่องติดดับดนะับเนี่ยมันก็ไม่เกิด ความสุขอาหารก็ไม่สุขแล้วยิ่งไปเผาฐานก็ไม่ได้ฐานเป็นที่เท่าหมดนะเพราะว่าดับแล้วก็ติดติดแล้วก็ดับมันไม่ต่อเนื่องขบวนการเดียวจบเพราะฉะนั้นเองเราต้องสังเวชสลดใจตัวเองเฮ้ยเราอยู่มาได้ขนาดนี้ยังไปไม่ไปไหนเลยเพราะอะไรต้องคิดให้มากแล้วนี่ยเพราะว่าขณะแห่งความเจ็บและความตายเข้ามาสู่เราอยู่ทุกขณะ จะไปถึงเวลานั้นเราจะมาทอนร้อนใจได้ว่าเราประมาทไม่ทันแล้วเพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้เราไม่เอาอะไรเพราะฉะนั้นเองชีวิตเรามีอยู่ทีละขณะขณะนี้ผ่านไปขณะเข้ามาเป็นอย่างไรอดีตคือวินาทีที่ผ่านไปอนาคตคือวินาทีที่กำลังจะเข้ามา เราเอาอาดีตอนาคตแบบนี้มันถึงจะเป็นเทียละขนาเพราะฉะนั้นความคิดบุงแต่งเนี่ยถ้าไม่มีอดีตอนาคตเข้ามามันคิดไปไม่ได้มันอาศัยอดีตอนาคตที่มัน <c oughs> ยาวเนะี่ยคิดถ้าอาดีตอนาคตสั้นๆมันคิดไปไม่ได้เพราะนั้นเองเราก็ <c oughs> อยู่ด้วยอดีตอนาคตไม่ได้อยู่ด้วยปัจจุบัน ดังนั้นการมาปฏิบัติธรรมนี่เพื่อฝึกฝนให้ตนเองอยู่กับปัจจุบันชัดๆนะถ้าเรามาปฏิบัติแล้วไม่ได้ฝึกฝนอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันนีการปฏิบัติก็ไม่มีความหมายอะไรนะไม่มีความหมายอะไรเป็นการทำาลงๆแล้งๆไปเล่นๆไปนะตาม่านิยมตามสังคมตามประเพณีตาม ควเชื่อแต่ว่าเราไม่ได้ค้นหาสาระที่แท้จริงว่าการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรในะนั้นเองเราจะต้องค้นหาความหมายที่แท้จริงของมันแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่เราค้นพบว่ามันถูกต้องแล้วแล้วก็ตั้งใจทํานะดันั้นชีวิตของเรามีความ วิเศษมหาจันทรย์กว่าสัตว์อื่นตรงที่เราสามารถรู้ปัจจุบันขณะได้ซึ่งสัตว์อื่นมันรู้ไม่ได้ <c oughs> สัตว์อื่นมันมีแต่หลงคําว่าสัตว์อื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงสัตนะว์เดรัจฉานก็สัตว์มนุษย์นี่แหละที่เขาไม่สนใจเรื่องนี้นะเขาก็อยู่กับอดีตอนาคตอยู่ตลอดนะดังนั้นเองเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้น คนที่อยู่กับปัจจุบันได้ตลอดนี้ก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมถ้าอยู่ได้มากนานขึ้นก็เป็นอริยะเขาจะเป็นสัตว์ประเสริฐรดฉะนั้นเองเราก็ <c oughs> จะต้องขวนขวายจริงๆจังจต้องตรวจสอบตัวเองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ซึ่งเราสวดไปจํา บรรพชิตคนพิจรารณาหนึ่งๆ น, ง น, งนงว่าบัดนี้วันคืนล่วงไปล่วงไปเรากําลังทําอะไรอยูนะ่วันเวลาล่วงไปล่วงไปเรากําลังทําอะไรอยูนะ่แล้วก็ที่เราบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัตแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทําอาการกิริยานั้นๆกิริอาการใดๆของสมณะคือกิริอาการที่ เป็นไปเพื่อสงบเป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกองทุทกข์เป็นไปเพื่อไม่คุกคีด้หมู่คณะเป็นไปเพื่อการ <c oughs> มักน้อยสันโดษเป็นไปเพื่อความสงบระงับเนี่ยเป็นอาการของสมณะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอาการแบบนั้นก็เรียกว่าเรายัางไม่เป็นยังไม่ต่างจากชาวบ้านเท่าไหร่ อันที่สองบอกว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายก็คือเราต้องอาศัยทุกอย่างที่เราอาศัยอยู่ที่นี่เป็นของคนอื่นเท่านั้นไม่ใช่ของเราสักอันหนึ่งเราคอนขวายเขาให้มาด้วยศรัทธาไม่ว่าเป็นที่นอนหมอนผ้าเสื้อที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เราอาศัยของคนอื่นเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําต้องทําเพื่อคนอื่นไม่ได้ทําเพื่อตัวเราการทําเพื่อคนอื่นต้องทํามากเลยเพราะคนอื่นก็คือทําให้ที่ตัวเราเนี่ยแต่มันเผื่อคนอื่นนะถ้าคนไหนทําอะไรเพื่อตัวเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยคนนั้นก็เรียกว่าสั่งสมบาปไปเรื่อย เพราะสิ่งที่เราเพึ่งพาอาศัยมันไม่ใช่ของเรานะนนเราก็จะต้องเดือดร้อนนะแต่ถ้าหากว่าคนไหนทําเพื่อคนอื่นแต่ทําที่ตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองเช่นเรามุ่งที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเมตตาโกโรุณาผู้อื่นด้วยการชี้แนะด้วยการบอกทางทุกทกครั้งที่เรามีโอกาสแล้วเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ใช่ว่าเราบอกให้เขาทําอย่างหนึง่งเราไปทําอีกแบบหนึง่งแล้วไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วบอกว่าเขาสอนยากน่ไม่ได้เพราะเราไม่เป็นแบบอย่างเพราะคนนั้นจิติตามที่แบบอย่างมากกว่าคําพูดเถ้าเราพูดดีขนาดไหนก็ตามถราทําแบบอย่างที่ไม่ดีเนี่ยมันคําพูดของเราก็ไม่มีความหมายดังนั้นเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีอยากจะให้เขาขยันแล้วเขต้องขยันให้เขาดูอย่าให้เขาสะอาดแล้วเขต้องขยันสะอาดให้เขาดู อยาให้เขาสงบเราก็ต้องสงบให้เขาดูนี่เขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างอันที่สามอาการกิริยาการอาการกิริยากายวาจาอย่างอื่นยังมีที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้หมายความว่าเราทำได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องดีกว่านี้ก็มีอีกไม่ยอไม่ยอมไ ม, ไม่พอใจเพียงแค่นี้เราต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ เ, เราทำแค่นี้มันยังไม่ดนะีอะไรที่มันดีกว่านี้ล่ะ ก็ขนขวายทําไปเรื่อยๆร <c oughs> ือจนกระทั่งว่าเราตําหนิตัวเองไม่ได้นั่นหมายความว่าเราพัฒนาตัวเองทุกวันถ้าเรามีเรื่องที่ตําหนิตัวเองได้อยู่ก็แสดงว่าเราไม่ขนขวายในการพัฒนาตัวเองเพราะมีเรื่องที่ขัดตกบกกร่องมีเรื่องที่ยังผู้อื่นตําหนิได้ เ, เราตําหนิตัวเองได้อยู่เราก็ต้องหาข้อบกกร่องของตัวเองต่อไปพยายามแก้ไขต่อไป เขาเรียกว่ากิยาการกายวาอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้นะข้อต่อมาท่านบอกเมื่อกล่าวโดยศีลแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ติเตนโดยตัวเองโดยศีลได้หรือไม่นะแม้เขาว่าศีลก็ดีกิยาอาการความประพฤติก็ดีเรายังตำหนิตัวเองได้อยู่ไหมแล้วที่ เราทำอะไรไปตําำหนิตัวเองได้ก็แก้ไขตัวเองได้ถ้าํำหนี้ตัวเองไม่ได้ก็แก้ไขตัวเองไม่ได้เพราะไม่รู้จะแก้ไขตรงไหนเพราะยังไม่ไม่เห็นํำหนิตัวเองนะแต่ถ้าหากสำรวจแล้วสานวดอีกไม่เห็นว่ามีสิ่งที่แก้ไขก็ถือว่าเราแก้ไขตัวเองได้แล้วทีนี้ไม่ใช่เราคนเดียวบางทีเราคนเดียวเราอาจจะมองไม่เห็นตัวเอง หรือาจจะเข้าข้างตัวเองไม่กล้าตําหนิ้ตัวเองก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยด้วยเมื่อกล่าวโดยศีลแล้วเพื่อน ส, าสา ม, มาสพรหมจีจารีด้วยกันตําหนิ้เราโดยศีลได้หรือไม่หมายความว่าเพื่อนดูเราแล้วเนี่ยเรายังมีอะไรขัดตกบกคงก็ภาวณาเพื่นอนเอาไว้เพราะฉันมีอะไรขัดตกบงเพราะไม่ดีไม่งามไม่เหมาะตรงไหนก็บอกฉันด้วยนี่เขาเรียกว่า ให้เพื่อนได้ตำหนิเราได้ด้วยแล้วก็บอกให้เพื่อนด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นหลักที่ท่านบอกเอาไว้พระพุทธเจ้าบอกให้พิจารณาตัวเองอย่างนี้แล้วเราจะต้องพิจารณาถึงว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเองกรรมทั้งที่กรรมโดยกําเหนิอกรรมโดยเผ่าพันธุกรรมโดย เป็นที่พึ่งอาศัยเพราะฉะนั้นเราอยากพึ่งอาศัยสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเราอยากจะพึ่งอาศัยสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดเราอยากจะพึ่งในสิ่งที่เป็นสงบหรือวุ่นวายเราเป็นผู้สร้างเอาเราสร้างอย่างไรก็ได้อย่างนั้นอันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้เราต้องการอะไรเป็นที่พึ่งเราก็สร้างสิ่งนั้นขึ้นมา แล้วก็ข้อต่อมาว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่นะหมายความว่าที่สงัดม่ไมมันหมายความว่าที่ข้างนอกนะกายสงัดเรายินดีที่จะให้กายสงัดไว้วาจาสงัดสงัดวาจาเราทาให้วาจาสงบอย่างไรนะ ยินดีที่ใจสงบวาจาหมั้ยแล้วก็ยินดีในการสงัดใจคือใจที่มันสงบเรายินดีในความสงบสงัดทั้งสามประการนี้ยินดีหรือไม่ในฐานที่สงดทั้งสามแล้วก็ <c oughs> วันคืนล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถามตัวเองอยู่เสมอวันนี้ผ่านไปอีกวันหนึ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็น มานี่เราได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไหมตรวจสอบดูตรวจสอบแล้วก็โอ้วันนี้ยังขาดทุนอยู่วันพรุ่งนี้ก็รีบผลไควยแก้คืนวันนี้ทําได้ดีอันพรุ่งนี้ต้องทาให้ดีกว่านี้อีกอ น, นี่เขาเรียกว่าตรวจสอบตัวเอง อ, อันสุดท้ายท่านบอกว่า <c oughs> เรา เป็นผู้ที่ได้ทำคุณวิเศษคุณวิเศษให้เกิดขึ้นตัวเองแล้วได้หรือยังถ้าจะเพื่อนสมสพรหมจารีด้วยกันถามนะเราจะไม่เกือเขินแามเขารู้รูปรูน้ำหรือยังเราก็บอกว่ารู้แล้วรู้สมมติหรือยังรู้แล้วรู้ปรมาจารย์หรือยังรู้การเกิดดับหรือยังรู้จากการทำมาสวะให้สิ้นไปได้หรือยัง เราถามมาอย่างนี้เราก็จะไม่เกิ้ขึ้นแล้วก็ตอบแบบหาฐานทำได้ทำได้ทำอย่างนี้นี่ทำอสวะทาทำอย่างนี้ทำเกิดดับต้องทำอย่างนี้ทำปรมัต้องทำอย่างนี้บอกได้ชัดเจนนี่ก็เลยไม่เกือ้อคืนอันนี้ถามอะไรก็บอกไม่ได้ก็เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นหลักประกันให้กับตัวเองได้ก็จะทำให้เราประมาท ในหน้าที่ของเราได้อยู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่จะเป็นนักบวชนประชิตเนี่ยต้องตรวจสอบด้วยคุณธรรมสิบประการนี้ <c oughs> เราก็ชื่อวา่าเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าหากอันไหนที่ยังขาดตับุคร่องอยู่เราก็รีบผลขวายทำมันนั้นให้สมบูรณ์ขึ้ น, นเรื่อยๆนะประเองนในเรื่องของการ ดูแลรักษาตัวเองเป็นเรื่องสาคัญแล้วก็อาศัยปั จ, จัยสีชาวบ้านที่ให้มาเนี่ยเราจะต้องดูแลทรัพย์สินเขาอย่างนี้ทีเดียวไม่ว่าที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคเราจะต้องใช้อย่างประหยัดมัธยัติและรับผิดชอบเพราะฉะนั้นในเศนาสะนะแต่ละอย่างแต่ละชิ้นที่ได้มาเนี่ย ชาวบ้านควนขวายให้เงินให้ทองมาจัดการเราเป็นผู้ดูแลรักษาใช้ก็ต้องดูแลรักษาใช้อย่างดีอย่าปล่อยให้เก่าแก่ขคร่งค่าชำรุดชุ่มซมหรือสุกกระปกต้องควนขวายดูแลรักษาอันนี้คือคนที่อยู่อาศัยปัจจัยของผู้อื่นอยู่จึงลำบากตรงนี้เองคือถ้าไม่ทำได้ขนาดนั้นก็จะลำบากเพราะนั่นคนจึงไม่อยากบวชบวชที่จะอยู่ทาหน้าที่อย่างแท้จริงนะ แต่ส่วนใหญ่บวชเข้ามาแล้วก็ามาพักผ่าสายผ่อนคลายไปเป็นช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งถ้าลําบากก็ไม่เอาอันนี้เขาเรียกว่า <c oughs> ไม่ได้บวชมาเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ของนักบวชทําหน้าที่กลัวมันทุกข์กลัวมีปัญหาไปไหนไม่รอดก็มาบวชอย่างนี้ก็เยอะนะที่ี่ก็เรียกว่าเราไม่ได้ทําหน้าที่ของสมณนะแต่ถ้าหาก็ มาอยู่วัดเนี่ยถือว่าเป็นนักบวชหมดจะบวชไม่บวชก็ถือว่าเป็นนักบวช เ, เพราะว่าเรามาใช้ชีวิตแบบเดียวกันเพราะการบวชไม่ได้หมายถึงการนุ่งผมนุ่งคนผมผมพ้าเหลืองแต่การบวชหมายถึงแยกจากบ้านมาอยู่วัดตามภาษาก็เลยก็เนคคำว่า ก, การออกมาจากกิจการธุระทางบ้านการออกมาจากกามคุณทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เป็นผู้บวชบวช ประจำหรือบวชช่วคราวก็แล้วแต่บวช้วยหุ่มผ้าเหลืองหรือไม่หุ่มผ้าเหลืองก็แล้วแต่เราก็ทําหน้าที่อันเดียวกันเราก็ทําได้อย่างดนะีและนั้นเองก็ศึกษาเอาไว้เพราะสิ่งนี้มันเป็นธรรมเกษมทําอันสูงสุดเราก็จะทําเล่นเล่นลองลอ ง, ลองไปวันวันนั้นคงไม่ได้ไมันจะเสียเวลาเพราะชีวิตของเราผ่านไปผ่านไปนี่เราคืนไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นเราจรึงมีการบอกกันเตือนไว้เสมออเพื่อที่จะไม่ประมาทเพราะประมาทแล้วเราก็จะเดือดร้อนในภายหลังอจะทํายังไงที่เราจะไม่เดือดร้อนในภายหลังเราก็พยายามค้นควาอยู่เสมอเสมอแล้วก็จะทําให้เราเข้มแข็งโต ว, วันโตคืนนะเราเราก็จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนทั่วไปนะ เราก็จะไม่ติดยึดในสิ่งไหนสิ่งหนึ่งเพราะเรามีปัญญาบริหารตนปัญญานี้ก็มันอะไรขคนเราจะมีมาก่อนทุกคนก็มีมาเท่าๆกันแต่ว่ามันมากน้อยอยู่ที่เรารู้จักการบริหารมีเวลาเท่ากันบางคนมีปัญญามากบางคนมีปัญญาโน้นบางคนไม่มีปัญญาเพราะว่าบางคนรู้จักบริหาร บางคนไม่รู้จักบริหารบางคนขยันบริหารบางคนขี้เกียจบริหารนะบางคนเกิดมาทุกคนไม่ได้มีกองเงินกองทองติดมานะมีแต่ตัวเปล่ามาทั้งนั้นแต่บางคบางคนเป็นคนรวยมางคนเป็นคนจนบางคนเป็นคนมีฐานะดีบางคนยากจนตลอดกาลนี้ก็มีเพราะอะไรเพราะราะการบริหารจัดการาต่างๆเนี้ย ไม่เหมือนกันนะทางด้านคุณธรรมสติปัญญาก็เช่นเดียวกันนะก็ใช้หลักการเดียวกันดังนั้นเองเราก็ต้องคอยศึกษาคอยค้นขวายเพียงแต่ ม, มาปรับกายกับใจด้วยกันเป็นอันเดียวหนึ่งอันเดียวกันก่อนระดับต้นเนี่ยเพราะตัวนี้เป็นตัวที่จะสร้างความเจริญงกงามเหมือนเราจะปลูกต้นไม้เนี่ย มันต้องต้องปรับดินกับน้ํามาอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะตัวดินกับน้ําที่มาอยู่ด้วยกันก็ให้เกิดความชุ่มชื่นก็ให้เกิดความเจริญงอกงามนั่นคือกายกับใจต้องอยู่ด้วยกันต้องปรับใส่กันเสมอกายล้วนๆใจล้วนๆไม่มีอะไรปรุงแต่งกายก็คือกายกายคือรูปใจคือนามให้มันเป็นรูปเป็นนามเหมือนเดิมกาย ก็เป็นกายเป็นดินล้วนๆใจก็เป็นน้ําล้วนๆก็เอามาใส่กันก็เย็นกายกับใจถ้ามาอยู่ด้วยกันมันก็จะเย็นแต่ถ้าหากว่ากายกับใจอยู่นนเกินมันร้อนนแสดงว่ามันอยู่ด้วยกันนิดหน่อยอยู่ด้วยกันไม่มากมือนต้นไม้เนี่ยมันหน้แรงในดินมีน้ําน้อยต้นไม้ก็สลัดใบ ต้นที่ไม่มีความต้านทานก็ตายไปกายกับใจเมื่อกันถ้ามันอยู่ด้วยกันน้อยๆมันก็แห้งแรงจิตใจก็ไม่จิตใจก็ไม่ยินดังนั้นเราจึงพยายามศึกษาสิ่งเหล่านี้แหละทุกๆนาทีทีเดียวตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับพิจารณาตนเองทุกฝีก้าวทีเดียวนะ น, นี่เราเป็นยักายเป็นไงใจเป็นยังไงก็กายกับใจอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิสัยของชาวนาหรือชาวไรว่าตัวนี้มีน้ําเราควรจะปลูกอะไรตัวนี้มีน้ําเราควรจะใส่อะไรมันเป็นวิสัยคนเราก็เหมือนกันมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยเมื่อกายกับใจอยู่ด้วยกันก็เห็นความอุดมสมบูรณ์เห็นความสงบเห็นความสุขก็คิดในการที่จะสร้าง คุณงามความดีใส่ตัวเองว่าเราควรจะดำอะไรน้าตอนนี้ถึงจะดีจะทำอะไรนะตอนนี้ถึงจะตนเองถึงจะเจริญทำยังไงน้าถึงจะให้คนอื่นได้มีความสุขก็จะคิดพิจารณาหาความเหมาะสมเหมือนชาวนาวพบที่ดินที่มีนม้ํามีปุย๋ยก็คิดที่จะปลูกนั้นฝั่งนี้เราเหมือนกันพบกายพบใจตัวเองอยู่ด้วยกันแล้วก็คิดในการที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดามันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่อะไรชีวิตวันเราก็มีอยู่นะแล้วนั่นเองก็พยายามนะเพราะว่าโลกของเราเริ่มมีภัยพิบัติบัดรอบด้านแล้วเมื่อคืนนี่ฝันแปลกฝันว่าไฟเนี่ยไหม้มาจากทางที่ตะวันออกแดงโลกท่ทีเดียว คนทั้งหลายพากนันวิ่งหนีแต่เลยเปิดปืนแต่เรากลับเห็นว่าเออันนั้นบ้านเราไฟมันจะเข้าบ้านแล้วคนทั้งหลายวิ่งหนีมันก็ไฟยังไม่บ้าน เ, เรากลับวิ่งเข้าไปหาบ้านเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ารอบบ้านของเราเนี่ยเราได้ทำเขตกันไฟดีแล้วไฟไหมเงี้มันก็เข้าไม่ไหมเรามั่นใจเราก็เลยไม่ทิ้งบ้าน คนทั้งหลายก็ถูกไฟไล่ต่อไปก็หนีไม่ทันไฟไหม้ตายเยอะแยะแต่แเรากลับไปวิ่งเข้าไปสู่บ้านที่เรามั่นใจว่าบ้านเราปลอดภัยมันก็จเป็นสัญญาณหนึ่งว่าภัยพิบัติมันมาจากธรรมอกแล้วมันก็จะไหม้มาเรื่อยๆซึ่งเราทั้งหลายต้องไม่ประมาททีเดียวนะถ้าคนไหนรักษาบ้านตัวเองไม่ดีหร่ดูแลบ้านตัวเองมีทำแนวกันไฟไม่ดีไฟที่มาก็ต้องไหม้บ้านเรา แนวกันไฟคือป้องกันกิเลสนั่นเองกันกันเชื้อไฟไฟกิเลสราคาโทสะโมหะเป็นเชื้อไฟอถ้าหากว่าเรายังมีราคาโทสะโมหะอยู่เราก็หนีเพราะเรากลัวไฟไม่บ้านแต่พอเรารู้ว่าเราไม่มีราคาโทสะโมหะเราก็ไม่หนีเพราะไฟมายังไงมันก็เข้าบานไม่ได้เพราะมันไม่มีเชื้อที่จะเข้านั้นเองให้เรามั่นใจขนาดนั้นน่ะ เพราะนั้นภัยพิบัติอะไรจะเกิดขึ้นถลุมทลายยังไงก็ไม่กลัวมั่นใจในตัวเองตายก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ดีมั่นใจอย่างนี้มันก็ไม่สะท้านหวั่นไหวต่อภัยพิบัติอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เป็นความปลอดภัยในตัวเองเพราะนั้นเราต้องสแสวงหาความปลอดภัยที่ให้กับตัวเองให้มั่นใจ ชนิดว่าภัยมาจากทิศทางไหนก็ก็ทำอันตรายกับใจเราไม่ได้ส่วนกายเนี่ยแล้วแต่เหตุปัจจัยมันจะพาเป็นมีเหตุปัจจัยต้องตายก็ตายมีเหตุปัจจัยต้องอยู่ก็อยู่แค่นั้นเองแต่ใจไม่ตายใจยังเหมือนเดิมอยู่นั่นะนั้นก็จึงจะให้ไม่ประมาทไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่คนเดียวก็ตามอยู่หลายคนก็ตามไม่ควรประมาทคนจะขวนขวาย ที่เพื่อ้กับตัวเองอยู่เสมอๆนะงั้นตอนเย็นวันนี้ก็คิดว่าเราให้สติกันแค่นี้เราเพื่อจะไปคนไข้ปฏิบัติต่ อ, อไปกลับลพร้อมกัน